อันหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจหน้ารัก ย, ยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจหน้ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจหน้ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัด โพธะพระที่เพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าไข่หน้าพอใจหน้ารักยั่วโยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนพิสูจทั้งหลายกามคุณห้าประการเหล่านี้แล้วนะกามคุณหประการนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายสุกโสมนัสอันใดอาศัยกามมคุณห้าประการเกิดขึ้นสุกโสมนัสนี้เรากล่าวว่ากามาสุข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 แทบเรียกว่าจะเอาปลาทั้ ง, น, งน้องให้เขาทำยังไงเขาโปรโยกลิ่นที่น่าพอใจให้มันปลาทุกตัวที่อยู่ในน้องเนี่ยยินดีพอใจอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็ตกเอาตกเอาตกเอ า, เอาอ น, นั้นวิธีล่อปลาให้ติดเบ็ดเขาก็คือว่าวางกลิ่นก่อนวางกลิ่นให้มันปลาเนี่ยพอใจให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็วางเหยื่อที่เหลือก็ถูกต้มหมดปลาเหล่านั้นในที่สุดก็ถูกต้มหมดฉันใดนันะ หมูสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นน น, นะก็บางอย่างนี่เาเหมือนกับกลิ่นแม้กลิ่นมันหอมยัย่วยวนเหลือเกินแมมตรงนั้นมันดีตรงนี้น่าจะดีแต่ในที่สุดหมดตัวนะก็อย่างบางยุกบางสมัยที่ว่าอุยมีแต่คนได้มีแต่คนได้ต้องไม่ลืมว่าถ้ามีใครได้มันต้องมีคนเสียแล้วมีแต่คนได้มีแต่คนได้แล้วใครเสียล่ะครั้งนี้อ ในที่สุดไอคนที่ไดนะ้มันเสียเกือบทุกคนเหมือนกันนะไอคนที่ได้นะั่นแหละเสียตอนแรกวางใจเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ในที่สุดทุกคนสูญเสียกันซะส่วนใหญ่เพราะในโลกของวัตถุกรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นวันใครที่หน้า ม, มืดตา ม, มัวทั้งหลายแลยเนี่ยถูกเบ็ดหมดนะถูกเบ็ดหมอกเรียวเจอเหยื่อเข้าไปในวางในกลืนกินอย่างอร่อยอร่อยในที่สุดก็พรานเบ็ดก็เอาปลา น, นั้นไปทําตามที่ตัวเอง ปรารถนาฉันใดสุขทั้งหลายในวัตถุกรรมก็ฉันนั้นพระองค์บอกว่าให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เอาไว้ให้มากเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยนะตอนต้นดูเหมือนดีแต่ตอนปลายเนี่ยทำใจได้ไหมสม ม, มุติเราคิดถึงอ่ะสมมุติถ้าเราเป็นปลาแล้วไปติดเบ็ดเต็มใจไหมถ้าเอาขึ้นเขียงแล้วเขาไปเอาเกล็ดเราออกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอามีดเนี่ยเวลาเอาเกล็ดออกเนี่ยไม่เอานี่นะเอามีดตาตั้งหังขึ้นมาแพศเดียวขึ้นมาเนี่ยถลอกปอกเปิืกหมดนะ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 ใครที่มองได้เป็นปีนี่ก็เก่งถ้ามองได้หลายสิปีนี่ก็เก่งอุย้ยใครมองชีวิตหมูจะคิดถึงวันตายเลยอุย้ยอันนี้ฉลาดจริงๆคุณเนี่ยกังคิดถึงวันตายสายตาคุณกว้างไกลเหลือเกินคุณถึงชีวิตคิดถึงได้ถึงตายแต่ก็บอกพวกมองเห็นได้แต่ชาตินี้ก็พวกสายตาข้างเดียวเพราะงั้นมีตาเดียวนะไม่ได้มองการกายออกแต่มองแบบพระพุทธเจ้ามองกชาติหน้าหลายชาติหลายสิบชาติ ตลอดหนึ่งชาติ2ชาติ3ามชาติ4ี่ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30 40ิบี่สิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตตะหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกลับวิวัตกลับเป็นอันมากถ้ามองหลายๆกับหลายๆอาศงไข่กับหลายๆอสงไข่กับเนี่ยเราจะรู้ว่ามันกามทั้งหลายสิ่งที่เราหน้าเพลิดเพลินเนี่ยหน้าขำสิ้นดีว่างั้นตลกจะตายไปนะ มนันเหมือนหละลายอย่างที่เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับเด็กเล่นใครของทะเลาะบอกแวงด่ากันจบมาไม่มีอะไรหรอกบางเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันก็ต้องมาไขาครัวให้ดีว่าสุขที่มีกับสิ่งเหล่านั้นความเพลิดเพลินพอใจในกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ย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 ที่ไหนได้กลายเป็นสุสานไปทันทีเนยนะกลายเป็นสถานที่เป็นโรงฆ่าบันไดที่อำนวยความสะดวกขึ้นลงกลายเป็นว่าที่ผลักให้ตกเหวก็ได้เนยนะนั้นลหลายๆอย่างพื้นที่ว่าแม้สะอาดด้วยการดูงามวาวับขัดแล้วก็เดินจะพลานหัวทิ่มเลยนะสมองขังเลือดนั่นที่ไหนที่เราว่ามันดีเนี่ยนะในที่สุดถ้าบุญมันหมดแม่นะมันก็ มันไม่ดีจริงแล้วเมื่อไม่ดีจริงอย่างร่างกายของเราว่ามันดีดีเราก็เลี้ยงให้วละให้อาหารวันละสามมือ้อมันก็หายน้ําเราก็เติมให้มันเพลียเราก็พักให้ดูแลเอาใจทุกอย่างมันดีขึ้นทุกวันไหมเนี่ยนะนมขึ้นทุกวันยิ่งดูแลยิ่งดียิ่งดูแลยิ่งดี ย, งด ย, งดยิ่งเจริญเติบโตไหมใช่ไหมเปล่าเนี่ยนะยิ่งดูแลยิ่งแก่กว่เดิมอ่างงี้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 ว่าโอ้ยไม่ไหวเขานพูดอะไรตอนนี้แล้วยากสายเสียแล้วชวนบวชตอนนั้นนี่เขาโ๊้ยพระเจ้าไม่อะไรนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตารกเหมือนกันแต่เวลาที่อะไรนะมันไม่ได้ดังใจคิดแล้วเมื่อไหร่เราก็นั่นแหละโอ้พระพุทธเจ้าดีแท้นี่นะแต่ว่าของเราก็ไม่เลวนะก็กลับมาหาตามเดิมอีกไนะั่นแหละก็เลยพอใจก็เลยไม่คิดจะออกไม่รู้จะออกอยังไงท่านก็ต้อง พยายามต้องคิดนวัตกรรมของผ้าอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดไว้อย่างไรเราจะได้หูตาสว่างสักทีหนึ่งคือบางทีเนี่ยนะแปลกนะคนบางคนเนี่ยนะต้องการหน้ามืดตามัวจริงๆอะ่ะไอ้โลกของวัตถุกรรมเนี่ยเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะนืที่ที่ก็เล่าให้ฟังเป็นเด็กชาวชนบทเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาทํางานในเมืองเสร็จแล้วก็ไปอัะนะก็มีผู้ชายที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วยิงคนนี้นี่ก็ไป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 มันถามว่าโอ้และชีวิตอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนามันจะทุกข์ขนาดไหนเนอแล้วถามว่าแล้วเวลามีใครมาบอกนะว่าเออเขาอย่างงั้นอย่างนี้มันฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเขาดีอย่างเดียวเนี่ยนะกนะ็ก็เรียกว่าหน้ามืดตา ม, มัวฉันใดคนที่เพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าหน้าดีสําหรับเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็ไม่มองเห็นโทษในบ้านปลายเนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดให้ยาวๆคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าภาคิด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 แล้วลูกของเราดัานไปติดยาเสพติดที่เขาบอกเขามีความสุขมากนี่แหละพ่อแม่พ่อจา๋าแม่จา๋านี่แหละสวรรค์ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะนี่แหละสวรรค์การระวังกันนะเอาติดยาเสพติดนะถ้ามันไม่ให้ความสุขเลยไม่มีใครติดหรอกและนี่แหละคือสวรรค์ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะพ่อแม่ทําไมมาขัดขวางความสุขของลูกเหลือเกินเนี่ยนะ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 โทษแห่งกรรมนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกข์ที่มีกรารมเป็นเหตุมีกรารมเป็นนิทานมีกรรมเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นเองนนะก็คนที่ประกอบอาชีพในเราพบไหมโอ้มีความสุขจังเลยขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมีความสุขนนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ถามว่าคุณสบายดีไหมแล้วว่าป่วยกันบ่อยนะคุณยังสบายดีอยู่หรือแสดงว่ามันไม่ค่อยสบายสิก็ต้องถามสบายดีไหมก็แปลว่าแสดงว่าชีวิตโดยปกติไม่ค่อยจะสบาย แต่คนไทยนี่เขายังเชื่อสวัสดีครับก็แปลขอให้มีความสุขความเจริญนะโสทีขอให้คุณมีความสุขเน่ยนะคำว่าโสทีก็คือขอให้คุณประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับก็คือขอให้คุณประสบความสุขความเจริญตลอดไปเรียกว่าโสทีหรือสวัสดีครับเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาถามกันว่าเออนี่คุณสบายดีไหมก็แสดงว่ามันไม่ค่อยสบายโดยรวมๆแล้วมันไม่ค่อยจะสบายเนี่ยนะก็เลยคุณสบายดีไหมยังยังอยู่ดีอยู่หรือก็แปลว่าโดยมากไม่ค่อยดี กนะ็คือไอ้ความไม่ดีความเลวรนะ้ายสารพัดอย่างมันมีอยู่นะพั้นมีอาชีพไหนบางที่เขาถามมาสบายเนี่ยนะสบายจริงๆหลายๆอย่ยางก็บอกโอ้ยตอนแรกดีดีสมมุติน่ะโอ๊ยดีมากให้ไปอยู่ในห้องห้องมีแต่ทองอย่างเดียวเลยแล้วก็ถูกคังอยู่นั้นวันละ8ดชั่วโมงวันละสิชั่วโมงตลอดชาติเอาเองนะตอนแรกมันดีดีเนะี่ยตอนนานๆเข้ามันชักไม่ค่อยดีอย่างที่คิดแล้ว น, นะไอ้จากๆหรือก็ห่วงไอ้จากไอ้จากอยู่ต่อไปไม่ก็ไม่ค่อยอยากอยู่ไอ้เสียดายก็เสียดาย คือโดยที่สุดมันก็เปไน็นยังไงเอาไมเนี่ยไปนั่งอยู่กับไปบางรายการนะอยู่กับแบงค์เลยกองสูงท่วกหัวเลยแล้วก็นั่งนับแบงค์เลยนะ